เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจมุญใจกศสมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 2, สองเมษายนพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านท้าวลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็น ที่เพิ่มตามใจของพวกเราพวกเรามีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถจะดับความทุกข์ใจต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังจะต้องมีความทุกข์ใจอยู่ต่อให้เป็นประธานาธิบดีพระราชามาหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายพลนายพันก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ภายในใจอยู่ ต่อให้มีการยกย่องสรรเสริญมากน้อยเพียงไรก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ภายในใจต่อให้มีความสุขที่ได้รับจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุทธะต่างๆก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกได้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะดับได้ก็คือพระรัตนตรยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสามองค์แต่มีสถานภาพมีหน้าที่เหมือนกันคือนําพาสัตว์โลก ให้หลุดออกจากกองทุกขต่างๆให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีองค์ใดองค์หนึ่งก็ถือว่ามีทั้งสามองค์มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคําสอนหรือมีพระอริยสงสาวกก็ถือว่ามีทั้งสามองค์เพราะท่านสามองค์นี้มีความรู้ความสามารถ ทจะสั่งที่จะสอนที่จะพาให้พวกเราได้หลุดออกจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้ดังนั้นขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้อบรมเป็นผู้สั่งสอนเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ พระุทธเจ้าของพวกเราท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากกองทุกข์เป็นองค์แรกหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกพระ อ, องค์ก็สามารถกำจัดเหตุที่มาทำให้พระไทยเขาเมเอลต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆหลังจากที่พระ อ, องค์ ไในสงหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพระองค์ก็นําเอาความรู้นี้มาประกาศสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้เพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือวิธีการที่จะนําเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆนั่นเองแล้วพอมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนจากพระพุทธเจ้า แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้จึงปรากฏมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาทําหน้าที่นำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลาย ในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้อบรมสั่งสอนเผยแผ่ความรู้ให้แก่สัตว์โลกภารกิจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มีภารกิจอยู่ห้าประการด้วยกันที่พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นประจำ เรียกว่าพุทธกิจห้าตอนบ่ายพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนญาติโยมตอนค่ำก็ทรงสั่งสอนภิกษุสัมมนเนยตอนเดึกก็ทรงสั่งสอนเทวดาและตอนเช้าก่อนที่จะทรงออกบินทบาทก็ทรงแตงยานดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น และหลังจากนั้นก็ทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเสร็จสิ้นภารกิจของพระองค์แล้วคือได้พาจิตใจของพระองค์ให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ให้หลุดพ้นจากกองทุกจากการที่ต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆพระองค์หลังจากวันที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วไม่มีความทุกข์ในใจอีกต่อไปต่อให้มีเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นร้ายแรงขนาดไหนก็จะไม่สามารถทาให้พระทัยของพระองค์ทุกได้ต่อให้พระองค์เจ็บไข้ได้ป่วย หรือตายไปพระองค์ก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกายเพราะพระองค์สามารถทำลายต้นเหตุที่ทำให้พระไทยของพระองค์นั้นต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้ mm. แล้วพระองค์ก็ส่งนาเอามาเผยแผ่สั่งสอนทำหน้าที่ ช่วยเหลือสารโลกอยู่ถึงสี่สบห้าปีถึงได้เสด็จดับขันธ์ธาตุแลนิพพานไปบางคนไม่เข้าใจก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัว<ม>ที่ทิ้งครอบครัวทิ้งภรรยาทิ้งบุตรทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปบวชเขาก็คิดว่านี่เป็นการกระทํา ที่เห็นแก่ตัวแต่ความจริงเป็นการกระทำที่จำเป็นจะต้องทำถ้าจะมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปในภายหลังต้องไปศึกษาต้องไปปฏิบัติเพื่อทำให้ตนเองได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ก่อนเมื่อทรงได้ทำสำเร็จแล้วก็มาเป็นครูเป็นอาจารย์ สั่งสอนช่วยเหลือให้ผู้อื่นที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์ให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์ไปทรนะงใช้เวลาปฏิบัติของเพื่อพระองค์เองหปีด้วยกันแล้วหลังจากนั้น45สปีก็ทรงทําภารกิจช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเรามองภาพรวมแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัว มันเป็นขั้นตอนของการที่จะ ม, มาช่วยเหลือผู้อื่นก่อนที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นได้เราต้องสอนตัวเราเองให้ได้ก่อนเหมือนสมัยนี้คนที่จะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องไปศึกษาตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยก่อน การไปศึกษาไปราเรียนเรียนนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าส่งลูกไปโรงเรียนส่งลูกไปเข้ามาหาวิทยาลัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นความจําเป็นเป็นขั้นตอนของการที่จะทําให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อีกต่อไป ฉันใดการกระทำของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นตอนที่พุทธเจ้าเสด็จออกบวชนั้นก็ไปไปเรียนไปศึกษาเหมือนไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยหลังจากเรียนอยู่หปีก็จบปริญญาเอกพอจบปริญญาเอกแล้วก็มาเปิดมหาวิทยาลัยรับนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อ เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเป็นอธิการบดีและมีพระอาหารหันตสาวกพระอาาริยสาวกทั้งหลายเป็นผู้ช่วยอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตาอาจารย์เป็นศาสดาอาจารย์เพื่อมาช่วยเหลือเผยแผ่แผสั่งสอนให้สัตว์โลกได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกัน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงเห็นแก่ตัวสละราชสมบัติสละครอบครัวเพื่อออกไปศึกษาไปปฏิบัติไปบงเพ็ญเพียรก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ตนเองนั้นหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้ แต่หลังจากที่มีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระธรรมคําสอนมีพระอริยสงสาวกมาช่วยกันเผยแผ่สัมสอนวิธีการหลุดออกจากกองทุกข์ต่างๆก็ทําให้สา์โลกมากมายสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้นี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเรา ถ้าเราไม่มีการเสียสละมีไม่มีการเห็นแก่ตัวแบบพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่มีวันที่จะรู้จากวิธีที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราในขณะนี้ได้เลยแต่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสแล้วมีคนสอนแล้วอยู่ที่เราเท่านั้นว่าเราจะ นำเอาไปปฏิบัติได้หรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะหลุดพ้นได้เหมือนกับตอนนี้มีมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วเราอยากจะได้ปริญญาตีโทเอกเราก็มีโอกาสที่จะมีได้แล้วอยู่ที่เราว่าเราจะไ ข, ขว่คว้าปริญญาเหล่านั้นได้หรือเปล่าเท่านั้นอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย การที่เราจะได้ปริญญาหรือไม่ได้ปริญญานี้ไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเขาพร้อมที่จะให้ปริญญาแก่เราแต่เราจะต้องไปทำหน้าที่ของเราเพื่อให้ได้รับปริญญาต่างๆนี้เองฉันใดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็พร้อมที่จะพาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอยู่แล้ว แต่อยู่ที่พวกเราว่าพวกเราพร้อมจะตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมตามพระสรมไปหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราไม่พร้อมเราไม่ไปเราก็จังจะต้องติดอยู่ในกองทุกข์ต่างๆอยู่ถ้าเราไปเราศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วเราปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสองสาวกทั้งหลายหลุดพ้นได้อยู่ที่ตัวของพวกเราเองพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้รับปริญญาเอกของพระพุทธศาสนาไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการพัดพลาดจาก บุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักไม่ต้องมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้พวกเหล่านี้ไม่เว้นแต่ละวันที่จะต้องมีความทุกข์มีความวิตกมีความกังวลมีความหวาดกลัวมีความห่วงใยมีความวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับบุคคลต่างๆเพราะเราไม่มี ความรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารุกทั้งหลายมีความรู้กันท่านทรงรู้ว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆนี้มันเกิดจากใจของเราเองสร้างขึ้นมาทั้งนั้นแต่เราไม่รู้กันเราก็เลยทุกข์กันแต่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านรู้เหตุที่ทําให้เรา ไม่สบายใจกันท่านก็ดับเหตุนั้นพอดับเหตุนั้นได้แล้วความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปถ้าพวกเราอยากที่จะทาลายความไม่สบายใจต่างๆที่พวกเรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฟังคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนำเอาไปปฏิบัติ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านทรงรู้ว่าสาเหตุของความไม่สบายอกไม่สบายใจของพวกเราสาเหตุที่ทําให้พวกเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างต่อเนื่องนี้เกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้เองความอยากสามชนิดด้วยกันความอยากชนิดแรกท่านเรียกว่ากามตัณหา ความอยากในการมคุณหประการด้วยกันการมคุณหคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพะนี่คือสิ่งที่พวกเรามีความอยากกันที่เราไปเที่ยวกันเขาไปอยากไปดูรูปอยากไปฟังเสียงอยากไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากกระสัมผัสกับบรรยากาศต่างๆ ผ่านทางร่างกายของเราเว <Yeah. S 1> ลาที่เกิดความอยากเหล่านี้ใจของเราก็ไม่สบายแล้วอยากไปเที่ยวนี้ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่สบายแล้วถ้าจะให้สบายก็ต้องไปเที่ยวพอไปเที่ยวแล้วก็ความไม่สบายใจก็หายไปแต่ความอยากไม่หายไปพอกลับมาบ้านอยู่ได้ไม่นานก็อยากไปเที่ยวอีกแล้วความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นอีกแล้ว พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีทำลายความไม่สบายใจของพวกเราเราต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นความอยากมันถึงจะหายไปเราต้องยอมทนกับความทุกข์กับความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากในขณะนั้นแต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความอยาก เราจะสามารถที่จะไม่ต้องทำตามความอยากได้และไม่ต้องทุกทรมานใจได้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราเอามาใช้ต่อสู้กับความอยากก็คือการปฏิบัติธรรมการมาควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้ไม่ให้ไปคิดถึงความอยากต่างๆได้ ความอยากนั้นก็จะหายไปความอยากนั้นก็จะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจให้กับพวกเรานี่แหละคือวิธีที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ไม่ใช่วิธีที่พวกเรากำลังทากันอยู่ตอนนี้พอไม่สบายใจกับเรื่องอะไรก็ไปทำตามความอยากในเรื่องนั้นอยากจะได้ของนั้นมาก็ไปซื้อมา ความไม่สบายใจก็หายไปแต่ความอยากไม่หายไปเดี๋ยวไปเห็นของใหม่ขึ้นมาก็อยากจะได้ใหม่ขึ้นมาพอไม่ได้ซื้อก็ไม่สบายใจพอได้ซื้อก็สบายใจนี่แหละคือความอยากที่ทำให้เราต้องทุกข์กันต้องดิ้นรนกันต้องต่อสู้กันต้องแสวงหากันแล้วหามาได้มากน้อยเพียงไร ก็ไม่มีคำว่าอิ่มไม่มีคำว่าพอได้เท่าไหร่<ม>ก็ยังอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นไปถามเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกดูว่าพอหรือยังเขาก็ยังมีความอยากอ ย, กอยู่ถ้าเขาไม่อยากได้เงินได้ทอง<ม>เขาก็อยากจะไปได้สิ่งอย่างอื่นต่อไปนี่คือความอยากอยากในรูปเสียงกลิน่นเราเรียกว่ากามตานหาอยากมีอยากเป็น อยากรวยอยากใหญ่อยากโตเนี่ยเรียกว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาอยากไม่เป็นอยากไม่ไม่ได้ไม่มีคืออยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตันหาความอยากสามอย่างนี้แหละเวลามันเกิดขึ้นมาในใจแล้วทําให้เราทุกข์ทรมานใจกันเวลาแก่นี่ทุกข์ม เพราะอะไรเพราะอยากไม่แก่กันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกไหมทุกเพราะไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยกันเวลาตายทุกไหมทุกเพราะว่ายังไม่อยากตายกันยังอยากอยู่กันนี่แหละความอยากที่ทำให้เราทุกข์กันพระพุทธเจ้ากำจัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยการเจริญสติ ใช้พุทโธพุทโธพุทโธหยุดความคิดต่างๆหยุดความอยากต่างๆเช่นเวลาที่เราไปเจอภัยอันตรายคิดว่าเราจะตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็พุทโธไปหรือสวดมนต์ไปเนี่ยคนเราเวลาเจอภัยอันตรายนี้เรามักจะสวดมนต์กันเรามักจะพุทโธกันเพราะถ้าเราไม่สวดเราไม่พุทโธนี้มันจะทรมานใจมากมันจะทุกข์มาก แต่พอเราได้สวดได้พุโทโธความทรมานใจก็หายไปความทุกข์ก็หายไปไม่เชื่อลองไปพิสูจน์ดูลองไปหาที่น่ากลัวดูไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าช้าดูแลเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาให้สวดมนต์ไปให้พุโทโธไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงสิ่งที่น่ากลัว พอใจเราไม่ไปคิดถึงสิ่งที่น่ากลัวความกลัวก็จะหายไปนี่คือวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องต่อสู้กับความอยากต่างๆทุกครั้งที่เราอยากได้สิ่งที่ไม่จำเป็นนี่เราต้องอย่าไปทำตามมัน แต่ถ้าสิ่งที่จำเป็นนี้ทำได้เช่นเราต้องกินอาหารต้องมีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเวลาไม่สบายก็รักษาไปเวลาหิวอาหารก็รับประทานไปแต่อย่ารับประทานตามความอยากเท่านั้นเวลาไม่หิวแต่อยากก็อย่าไปรับประทานใช้พุทโธพุทโธหยุดความอยากไปแล้วต่อไปเราจะไม่มีความอยาก มาป่วนใจเรามาสร้างความทุกข์มาสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับพวกเรานี่คือวิธีสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาสร้างสารณะสร้างที่หลบภัยเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาให้เราเข้าหาสติเข้าหาปัญญากันเข้าหาพุทโธกันพุทโธพุทโธไปแล้วพอใจสงบ ความอยากก็จะหายไปเราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้เช่นเวลาอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่มีเงินไปเที่ยวก็พุโทโธพุธโทโธไปพอใจสงบความอยากไปเที่ยวหายไปความเหงาที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวก็จะหายไปก็จะอยู่บ้านเฉยๆได้อย่างมีความสุขนี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตว์ล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายผู้ที่สามารถทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ก็สามารถทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พวกเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าพวกเรารู้จักทําใจให้สงบรู้จักหยุดความอยากได้ ไม่มีใครทําให้เราได้พระพธระธรรมพระสงฆ์เพียงแต่สอนวิธีให้พวกเรากระทํากันพวกเราต้องนาเอาไปกระทากันต้องหมั่นเจริญพุโทโธพุโทโธกันหมั่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปซ้อ ม, มไว้ก่อนพอเวลาเกิดความอยากเราจะได้ใช้พุโทโธหยุดความอยากได้นี่คือวิธีง่ายง่ายง่ายกว่าการไปทาตามความอยากทาตามความอยากนี้ต้องไปหาเงินหาทอง ต้องไปเหน็ดเหนื่อยไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับความอยากสู้พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวสบายกว่าพอพุโทโธพุโทโธหยุดความอยากได้ปับ๊บก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของไม่ต้องไปเที่ยวไปเล่นกันอยู่เฉยๆที่บ้านก็มีความสุขที่ไหนไม่มีที่จะดีกว่าที่บ้านของเราบ้านของเรานี่ปลอดภัยอ่า มีทุกสิ่งทุกอย่างจะกินจะนอนก็สบายแต่ทำไมเราอยู่บ้านกันไม่ได้ก็เพราะความอยากมันดึงเราออกไปดึงให้เราไปทุกทรมานอยู่กับภัยอันตรายต่างๆที่อยู่นอกบ้านกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีหยุดความอยากกันตอนนี้พระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้หยุดความอยากกันแล้วขอให้เราลองไปทดลองดูเวลาอยากอะไรลองอยากไปทาดู อยา ก, กาแฟอย่าไปดื่มมันพุทโธพุทโธไปถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้าไปเกิดมาเราก็ไม่ได้ดื่มกาแฟเวลาที่ออกมาเราก็ไม่มีถ้วยกาแฟติดมาเราก็อยู่ได้ตอนเป็นเด็กๆไม่มีกาแฟกินก็ไม่เห็นตายก็เพราะตอนนั้นมันไม่มีความอยากตอนนี้พอมันมีความอยากพอไม่กินมันจะตายให้ได้ให้มันตายถ้ามันจะตายให้มันรู้ไปลองพุทโธไปอย่าไปกินมันดู ให้ความอยากกินกาแฟาตายดีกว่าแล้วต่อไปมันจะได้ไม่มาลบกวนใจเราถ้ายังกินกาแฟาอยู่มันก็ยังจะมาลบกวนใจเราอยู่เรื่อยๆไปจนวันตายนี่แหละคือเรื่องของการแก้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือความอยากต่างๆความอยากสามประการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น หยุดสาตัวนี้เท่านั้นแล้วชีวิตของเราจะปลอดโปรง่งจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความล่มเย็นจะมีแต่ความสบายเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาทุกข์กันอีกต่อไปจึงขอให้ท่านจงนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเข้าสู่ใจของท่านและน้อมนําเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะได้หลุดพ้นจาก